แล้วก็มีพระนางเซริมาเทวีเป็นประมุกก็อยู่สเสมออ่อคือเรียกว่าอยู่สเสมอกามาคุณดุจเทพกุมารประมาณผ่านไปหมื่นปีก็มีพระโอรสขึ้นชื่อว่าอุปวานะโอรสของพระนางเสริมาเทวีก็ประโสนิพระโพธิสัตว์นั้นก็ทรงเห็นนิมิตสี่ก็เสด็จออกพิเนสกรมด้วยยานคือวอ โหนแลชนสามโกรดก็บวชตามเสด็จพระองค์พระมหาบุรุษอันชนสามโกรเหล่านั้นเวทล้อมแล้วบำเพ็ญเพียรสิบเดือนสิบเดือนนะกว่าจะรวบรวมโพธิปัจจธรรมสำเร็จตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่หากนั้นในวันวิสาขะบุรมีเสด็จบินทบาตในหมู่บ้านชื่ออนุปะมะพรามสเสวยเข้ามาทุปายาตที่ทิดาอนุปะมะเศรษฐีถวายแล้ว ทรงยับยัง้งภักกลางวันณพระสาลวันตอนเย็นพระองค์ก็รับญ่าแปดกรรมที่อาชีวกชื่อวอนุปมะถวายแล้วพระองค์ก็ไปประทักศิลโรพพฤกชื่อว่าต้นอัชชุนะไม้กลุ่มพระองค์ทรงล่าสันทัศน์คือที่นั่งย่ากว้างได้38ศอกประทับนั่งขัดสมาธิอธิฐานความเพียรมีองค์สกรรมจัดกองกำลังมารพร้อมทั้งตัวมาปรปฐมยาม ตรัสรู้ปุเพนิวาสานุสติยานปัปชิ ม, มชิมยามรู้สัตว์เกิดสัตายปัชิมยามแทงตลอดปฏิจจสมุปบาทตรัสรู้อริยสัตย์นยามรุ่งอรุณเป็นพระพุทธเจ้าแปลงพระอุทานว่าอเนกชาติสร้างสารังเป็นต้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าต่อจากสมัยพระโสพิตะพุทธเจ้า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าอนมมัสสีผู้เป็นยอดของสัตว์สองเทา้ามีพระยศหาประมาณไม่ได้แปลว่ามีชื่อเสียงขจรขจายไปไกลตลอดเทวดาและมรุษทั้งหลายมีพระเดชอันใครๆละเมิดได้ยากบทว่าอมิตรยโสมีบริวารหาประมาณไม่ได้หรือมีพระเกียรติหาประมาณไม่ได้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 สกายะที่ทีวิจิตกิจฉาสีละพัตตะปรามาตผูกให้ไปสู่อบายทุกติวินิบาสนรกการมราคาปฏิฆะผูกไว้ในการมาพบรู ป, ปราคาอรูณ ป, ปราคามานณะอุทจฉาวิชาผูกไว้ในพบชั้นสูงใครว่าสังโยตที่ผูกไว้ในพบเบื้องล่างพบท่ามกลางและพบชั้นสูงพระองค์ก็ตัดสังโยชตเครื่องผูกเครื่องร้อยรัด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 พระองค์ไม่ทรงกระเพื่มเหมือนสาครนะสาครนนทะเลเนี่ยไ ม, ไ, มไม่ไม่ไม่มีการล้นตะลิ่งล้นฝั่งไปอี ก, ก น, นะอันใครๆเข้าเฝ้าได้ยากเหมือนบรรพทศเหมนไต่เข้าไปหายากเหมือนขึ้นเขาเหมนเข้าหายากอย่างนั้นแหละพระพุทธเจ้ามีพระคุณไม่มีที่สุดเหมือนอากาศขึ้นชื่อว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้ฉันใดพระพุทธคุณทั้งหลายก็ฉันนั้นพระองค์บาลเต็มที่เหมือนพญาสารพฤก ในะถ้าใครเคยเห็นดอกสาระเบ่งบานก็ฉะนั้นพระองค์นั้นบานด้วยวิมุตต์ทั้งมวลทั้งสิ้นแม้ด้วยการเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตว์ทั้งหลายก็ยินดีได้เห็นก็ยินดีถ้าได้ฟังพระดารัสของพระองค์ซึ่งกําลังตรัสอยู่ก็บรลุอมะตะธรรมเห็นพระพุทธเจ้าก็มีความสุขแล้วได้ฟังพระองค์แสดงธรรมก็บรรลุนิพพานโอ้ขนสมัยนั้นก็มีบุญจริงๆ ได้เห็นก็มีความสุข น, นะของเราก็เห็นพระพุทธรูปไปก่อนนะตูหลวงพ่อเมตตาท่านนั่งยิ้มเนี่ยนะนะบทวา่าวิทธทางเศรษวาตโยภวากรรมจัดกรรมที่นำไปสู่ภพทั้งสาด้วยยานเครื่องทำให้สิ้นกรรมอธิบายว่าทำไม่ให้มีกรรมอีกต่อไปโสดาปฏิมักเนี่ยนะทำลายกรรมที่นำไปสู่นรกเปรตอสุรกายและเดรชานโสดาปฏิมักทาลายกรรมที่นาไปสู่ภพที่แด สกทาคามิมักทำลายกรรมอันอื่นให้กลับมาสู่โลกนี้ได้ไม่เกินครั้งเดียวอนณาคามิมักตัดกรรมที่นำไปสู่กรรมมาพบทั้งมวลอาาอรหัตตมักอนณาคามิมักเนี่ยนะทำลายกรรมที่นำมาสู่กรรมมาพบอรหัตตมักทำลายกรรมที่นำไปสู่พบทั้งปวงเนี่ยนะบทว่าอเิวติขมันังมงักังพระ ว่าพระนิพพานอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการกลับการเป็นไปท่านเรียกว่าอนิวัตะอที่จริงพระนิพพานเนี่ยเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นไปในวัตะไอคําว่าเป็นไปเนี่ยเป็นชื่อของสังสารวัฏเนี่ยนะเป็นชื่อของขันธ์าตุอายตนะที่ไหลสืบเนื่องกันไปขันทานังปฏิปาติธาตุอายตนะนะจัเนี่ยนะก็คือลําดับแห่งขันธ์าตุอายตนะที่ไหลสืบเนื่องเป็นไปเนี่ย เป็นกรรมบ้างเป็นวิบากบ้างเป็นกิเลสบ้างสืบเนื่องจากพบหนึ่งสู่พบหนึ่งความเป็นไปอย่างนี้ไม่มีจบมีสิ้นอย่างเช่นอย่างของผู้เราเนี่ยนั่งอยู่นะจากเห็นได้ยินจากได้ยินรู้เกลื่นรู้รสสัมผัสนึกคิดสลับมาเห็นได้ยินนึกคิดเห็นได้ยินนึกคิดนึกคิดเห็นได้ยิ น, น, นสลับคร่าเข้ากันไปอย่างเงี้ยใครดับได้จริงมั้งอา้าวบอกว่าตายเดี๋ยวปฏิสนธิมาก็าเป็นไปอย่างงี้อีกต่อไปแต่อยู่ในสภาพเหล่าไหน ถ้าไม่แทงตลอดพระนิพพานแล้วไอ้ที่จะหวนย้อนกลับไม่มีทางมันมีแต่ไปเรื่อยบอกไปไหนไปสู่ชาติชรามรณะโศกปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาตไลลไปอย่างนี้มุนไปอย่างนี้เป็นไปอย่างนี้ไม่มีจบมีสิน้นก็เลยเรียกว่าความเป็นไปส่วนอนิวัติหรืออนิวัตตะเนี่ยก็คือไม่มีความเป็นไปอีกแล้วเป็นชื่อของพระนิพพานอันไม่มีการไปอีกต่อไป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 องค์ผู้แสดงอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดเพื่ออย่างลงสู่นิพพานมีอยู่เมื่อเขาไม่ปฏิบัติตามแล้วจะไปว่าอะไรเขาผู้เป็นคนเขาเนี่ยนะผู้ไม่รู้อริยสัจเนี่ยนะไม่ต้องว่าอะไรเขาซากอย่างเนี่ยนะเขาชดเชยอะไรนะโทษของการว่ายากสอนยากไม่เห็นอริยสัจคืออะไรน้ําตา ม, มากกว่าน้ําทะเลเนี่ยนะร้องให้ต่อไปเธอเนี่ยนะร้องให้ต่อไปเธอเสียเลือดเสียเนื้อเสียเหงื่อเอนี่ยนะ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 ทุกเนี่ยนะพระองค์ก็เลยแสดงแต่งตั้งเปิดเผยว่าศีลเป็นอย่างนี้สมาธิเป็นอย่างนี้ปัญญาเป็นเช่นนี้เนี่ยนะอริยมรรสติประธานเป็นเช่นนี้สัมมาประธานอิทิบาทอินทรียพละโพชงองค์มรรษเป็นเช่นนี้ถ้าเธอปฏิบัติตามนี้ได้เธอจะทําที่สุดแห่งทุกได้ น, นะด้วยใจก ร, รุณาพันพระองค์จึงเป็นผู้แสดงอริยมรรษหรือมรคาหมายถึงโพธิปักจัยธรรม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 ไม่มีประโยชน์ทางเหล่านั้นก็เลยรกร้างว่างเปล่าในที่สุดก็รกคือมิจฉาทิฐิก็ฉาบทาลูปไรเสียสนิทเนี่ยนะก็เป็นอย่างนี้ทีนี้ต่อไปพุทธคุณเพิ่มว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นไม่ทรงกระเพื่อมเหมือนสาครอันใครๆเข้าเฝ้าได้ยากเหมือนบันพศอธิบายว่าอาสังโฆโผ ความว่าพระองค์เป็นผู้อันใครใๆไม่อาจให้กระเพื่อมคือให้วันไหวได้ไม่มีใครทําให้พระองค์วันไหวได้เปรียบเหมือนอย่างว่ามหาสมุทรที่ลุ่มลึก 84%,00 มื่นยอเป็นที่อยู่แห่งพูดหลายพันโยออันอะไรอะไรให้กระเพื่อมไม่ได้ฉันใดเขาก็แบ่งว่าทะเลน้ําลึกสุดๆทะเลช่วงต้นไอช่วงกลางๆเนี่ยไม่มีใครวันไหวน้ํานิ่งอย่างเดียว เราก็มีสมุทรทะเลลึก 84% ดหมื่นพนโยนเนี่ยช่วงล่างเนี่ยก็เพื่มด้วยพวกสัตว์เล็กๆน้อยๆสัตว์ทั่วๆไปทำให้กระเพื่อมชั้นบนนี่ก็เพื่มด้วยหลมตัวตรงกลางเนี่ยเย็นสนิทแล้วก็มั่นคงแม้ท่านก็ตามไปดูเพื่อจะเปรียบมันนะเล็กซึ่งหาเครื่องเปรียบที่เล้วกันนึกตามยังยากเลยมันเพราะพระองค์นี่ให้กระเพื่อมไม่ได้อธิบายว่าพระองค์ก็ทรงเป็นผู้อันไกรใครให้กระเพื่อมไม่ได้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 บทว่าโโซได้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นบทว่าสาราราชาวัพลิโตพระองค์นั้นย่อมงดงามเหมือนพระยาสารพฤกษ์ที่ออกดอกบานเต็มที่เพราะพระองค์ทรงมีพระศริระประดับด้วยพระมหาปริศลักษณะและอนุพยัญชนะทุกประการแม้แต่การเห็นพระองค์นั้นก็ยังจิตให้ยินดีโโซอ่ะโตสิตาคือยินดีอิ่มใจเห็นพระองค์ก็มีปีติแล้วว่าือนกัน แต่ถ้าได้ยินได้ฟังพระดํารัสหรือฟังพระธรรมเทศนาของพระองค์ย่อมบรรลุอมตะอมตตัต้งคือความไม่ตายหมายถึงพระนิพพานถ้าได้ฟังคําสอนของพระองค์ผู้ประกาศอริยสัจอยู่ย่อมเห็นพระนิพพานเนี่ย น, นะเพราะว่าคําสอนของพระองค์ทุกสูตรอย่างลงสู่นิพพานมีนิพพานเป็นที่สุดบางคนก็บอกว่าถ้ามัวแต่ศึกษาคําสอน้เมื่อไหร่จะได้นิพพานเขาว่างั้น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 ด้วยใจสัมมาทิฏฐินี่เป็นมโนกรรมนะเป็นมโนกรรมนะสัมมาทิฏฐิอนาพิชาอัพยาบาตเป็นมโนกรรมเพราะมโนกรรมนี่จะเดินทํำยังไงอ่ะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะหลับจะตื่นจะพูดจะนิ่งจะทํำยังไงให้มันเป็นอริยมรรคมีองค์8ล่ะเนะี่ยเพราะการประพฤติปฏิบัตินั้นหมายถึงการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8เพื่อแทงตลอดอริยศาสตร์เพราะอาศัยการฟังจากคําสอนเพื่อรู้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 และพระนิพานผู้นั้นจะรู้คุณของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติถึงพระนิพานถ้ารู้อย่างนั้นแล้วปฏิบัติไม่ได้ก็แสดงว่าอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าแล้วทํำยังไงก็บ่มอินทรีย์ต่อไปก็แล้วกันแล้วก็ถามว่าเหมือนอย่างว่าถ้าเมล็ดข้าวเพิ่งหวานลงไปในดินแตกยอดออกมานิดเดียวเนี่ยนะเรียกว่าแตกหน่อออกมาหน่อยหนึ่งอะ่ะบอกแต่ว่าหิวข้าวอะ่ะจะไปเร่งเมล็ดข้าวอันนั้นอะ่ะที่มันออกหน่อยหนึ่งให้มันสุกจะทํำยังไงอ่ เมื่อ <ME u ye> มันยังไม่แก่กล้าจะไปทําอะไรได้ที่เหลือกร็ระน้ําใส่ปุย๋ยพลนดินเมือ่ออินทรี่ห้ายังไม่แก่กล้าเมือ่อพระห้ายังไม่บริบูรณ์เมือ่อโพชฌงเจ็ดยังไม่เต็มที่เมือ่ออริยมักไม่สมบูรณ์จะเอาอะไรมาบรรลุมันก็บรรลุไม่ได้อยู่แล้วที่เหลือทํำยังไงก็เพิ่มพูนคุณธรรมเพิ่มพูนกุศลธรรมเหล่านั้นจนกว่าจะตรัสรู้ถามว่าถ้าอย่างนั้นก็ยังไม่ตรัสรู้ก็ทํำยังไงอะถ้าทําถูกเต็มที่แล้วเนี่ยนะ ถ้าเดินถูถกทางแล้วยังไม่ถึงเป้าหมายสักทีก็มีอยู่อย่างเดียวจงภาคเพียรพยายามต่อไปเถอะพราหมณ์เหมือนนะก็จะจงพยายามภาคเพียรต่อไปอย่าเลิกอย่าท้อถ้าหากว่าเดินทางถูกแม้แต่ก้าวเดียวก็ใกล้เข้าไปทุกทีแต่ถ้าเดินทางผิดเนี่ยนะถึงจะติดเทอร์โบมันก็ยังช้าอีกอยู่ดีใช่ไถึงจะไปเร็วขนาดไหนถ้าไปทางผิดมันก็ช่วยอะไรไม่ได้เนี่ยนะ หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้นโคนโพพฤก์แล้วตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณกลายเป็นผู้ที่มีจากจะเรียกว่าอนุมัตสีทั่วๆไปกลายเป็นพระตถาคตอรหันต์ตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นต้นพระพุทธคุณทั้งมวลก็มีครบถ้วในพระพุทธเจ้าพระองค์ก็พักอยู่แถวบริเวณต้นโพพฤกษ์เจ็สัปดาห์ป้าเพ็ญศรีไปอยู่แค่สัปดาห์เดียวเองนะ ลองไปคิดดูว่าเจ็ดสัปดาห์นี้พระพุทธเจ้าไปอยุดเจริญอะไรเนี่ยนะแล้วกลับมาเล่าให้ฟัง